นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมปทัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมทัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมปทัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น <c oughs> นาโอกาสนี้เป็นโอกาสสาคัญที่เราทุกคนทุกดวงใจจะต้องตั้งใจนั่งสมาธิภาวนา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 ยังไม่ตายมันก็อยู่บนแผ่นดินสร้างบ้านสร้างเดือนที่โยอาศัยมันก็อยู่บนแผ่นดินเอาธาตุดินนั่นแหละมาสร้างที่อยู่อาศัยเอาธาตุดินนั่นแหละมาสร้างมาทำเป็นผ้านุ่งผ้าห่มเอาธาตุดินธาตุน้านั่นแหละมากินอยู่บนแผ่นดินเกิดบนแผ่นดิน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 แต่ธาตุดินน้ำไฟลมกายวาจาจิตของบุคคลเรานะี่มันก็อยู่บนแผ่นดินธาตุร่างกายที่เคลื่อนไหวไปมากดดินดินน้ำไฟลมจงดูจงรู้เสียในขณะนี้เลยก็ตั้งใจปฏิบัติภาวนาให้มันแจ้งอกแจ้งใจ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 เพราะไม่ภาวานาดับไม่ภาวานาละในใจมันก็ลกไม่หยุดไฟโมหะอวิชชาตัณหามันก็ไม่อยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกิริยาบทไม่อยู่ในใจที่ไม่เลิกไงละลาะโทสะโมหะให้หมดให้ใสให้สะอาดนั่นเอง เป็นไฟเป็นของร้อนพระพุทธเจา้าพระองค์ทรงตัดว่าร้อนด้วยอะไรร้อนด้วยลาค ข, ขีณาไฟคือลาคร้อนด้วยโทสกีณาไฟคือโทรสร้อนด้วยโมหกีณาไฟคือโมหมันร้อนอยู่ในตัวร้อนอยู่ในใจไม่เย็นไม่สาบาย ไม่เข้าถึงพุทธโธพุทธะพุทโธพระพุทธเจ้าผู้โรู้โยในตัวในใจนั่นแหละเมื่อเข้าถึงตั้งนั่นโย่ในจิตใจดวงพุทธะนี้สิ่งอื่นใดนอกจากจิตใจพุทธะนี้ออกไปไม่เที่ยงเป็นกองทุกข์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 ภาวนาถอนหน้าถอนตาถอนตัวถอนตนถอนตัวโูของกูตัวค่าของข่าตัวเราของเราออกไปพุทธทอจิตเป็นหนึ่งพุทธทอจิตรู้แจ้งพุทธอจิตรูจ้ จ, จริงพุทธทออยู่ในตัวในใจไม่ใช่พุทธทอนอกกายนอกใจไปพุทธทอไม่ต้องดูที่อื่น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 แต่น้ำเหลืองไหลน้ำหนองออกงามันจะมีกลิ่นเหม็นไม่ได้กลิ่นหอมต่างหากว่าท้าเวลามันเป่ยเผลอย่างนั่นแหละเราจะไปนั่งอ <c oughs> ยู่ใกล้ก็ไม่ได้มันเหม็นสาบเหม็นข่าวเหม็นไม่เข้าท่า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 ต่อไปไม่มีที่สุดที่สิ้นตายแล้วก็หลงไปตามความหลงอันนะความหลงอันนั้นเราก็พามาเกิดอีกเกิดมาอีกก็แกชลาเจ็บไข้ได้ป่วยดิ้นรลนวุ่นวายไปเหมือนกับเราเกิดมาพบนิชาตินี่เหมือนกันหมดผลที่สดุดแกหรือไม่แกเด็กก็ตามถึงเวลาตาย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 แจ้งปัจจุบันเห็นจริงในปัจจุบันพุทธโธในปัจจุบันธรมโมสังโฆในปัจจุบันไม่ใช่พุทธโธธรรมโมสังโฆอดีตอนาคตอยู่ที่อื่นโน้นพุทธโธธรรมโมสังโฆอยู่ในตัวอยู่ในใจภาวนาได้ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออก ประกอบกระทาอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนแต่ว่าทุกลมหายใจลมหายใจยังมีอยู่กับภาวนาอยู่ภาวนาให้ได้อย่างลมหายใจเตือนใจดวงนี้อย่าได้ประมาเตือนใจให้รู้สึกว่าความตายนั้น มันใกล้เข้ามาขยับเข้ามามันม่วนเข้าไปเรื่อยไปมันใกล้เข้าไปทุกเวลาอยากเข้าใจว่าตนเองอยู่ห่างไกลเพราะว่ามาราณะภัยคือความตายนะั้นมันไม่มีต้นมีต่อมันจะตายเดี๋ยวนี้ก็ได้แต่บุญกุศลอย่างรักษาไว้ไม่ให้ตาย จะได้ปฏบิบัติบูชาภาวนาต่อไปอีกถ้าบุญกุศลหมดเมื่อใดเวลาใดตายแง่แง่นั่นแหละไปอวดดีไม่ได้ต้องเรียบทํารีบปฏิบัติเอาให้มันลงหลักปัจจุบันนั่นงแบบไหนก็ภาวนาในใจได้ยืนแบบไหนก็ภาวนาในใจได้ เดินไปมาที่ไหนก็ภาวานาในใจได้ไม่ใช่ได้แต่คำพูดใหามันได้ในตัวในใจตลอดเวลาไม่มีคนอื่นจะมาทำให้ปฏิบัติให้มันเป็นเรื่องจิตใจของตัวเองเป็นผู้ประกอบกระทำาต่อไปปล่อยให้มันง่วงเหงาเหงานอนฟุ้งซ่านลำคา ก็ไม่มีเวลาทำดูใจที่มันอ้างการอ้างเวลายังเด็กก็ว่าเรายังเด็กอยู่ทำเมื่อไหร่ก็ได้ยังหนุ่มแน่นอยู่ก็เข้าใจว่าเรายังหนุ่มแน่นแข็งแรงอยู่คงจะไม่ตายง่ายง่ายทำเมื่อไหร่ก็ได้ทีนี้ถ้ามันเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทันหันขึ้นมา หรือตายอุปเทวเหตุขึ้นมาล่ะมันจะทันได้อย่างไรพราะมันอ้างการอ้างเวลาอยู่เช้าก็ว่าเช้านักไม่ภาวนาสายก็ว่าร้อนแล้วไม่ภาวนากลางคืนก็ว่ากลางคืนไม่ภาวนากลางวันก็กลางวันไม่ภาวนา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 บางคนนั่งอยู่ดีๆเวลามันจะตายก็าตายเอาดื้อๆอย่างนั้นเกิดเป็นลมขึ้นมาเ อ, อออนั่งลมลงก็าตายความตายมันไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์อย่างไรเมื่อถึงเวลาความเป็นเด็กเป็นหนุ่มมันก็สู้ไม่ได้ตายได้เหมือนกัน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 จึงให้ชื่อว่าพาลาฮเวปันจักขันธาขันทางห้าเป็นพาละอันหนักคือกายวาจาจิตของคนเราทุกคนนี่แหละขันขันก้อนนี้กองนี้ก้อนนี่ลหละมันเป็นก้อนทุกไม่ใช่สุขที่เราว่าสุขสบายนั้นมันน้อยเดียวนิดเดียวเท่านั้น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 นึ่งให้พากันเรียบเร่งลุกขึ้นตื่นขึ้นอย่าไปมัวเมาไปตามอำนาจกิเลสธรรมดากิเลสไม่ว่ากิเลสราคะโทสะโมหกิเลสอันใดก็ตามมันเป็นของร้อนมันเป็นไฟดูแต่ไฟภายนอก ใหพลั้งเผลอไปเหยียบย่ำไฟไฟก็ไหม้เอาไหม้เอาถึงตายก็ไล้ไฟคือกิเลสราคะโทสะโมหะจิตที่มายึดไว้ถือไว้ไม่เลิกไม่ละไม่ปล่อยไม่วางนั่นแหละมันไหม้หัวใจมันไหม้ทางกายด้วยไหม้ทางวาจาด้วย มีอะไรมันไม่หมดหลบไฟไฟภายในมันไม่ข้ามพบข้ามชาติตายแล้วมันก็กลับไปไหม้ต่อไปอีกไฟลาคะโทซามโมหะท่านจึงให้จื่อว่าไฟม่อนาลกมันไหม้ทุกคนไม่ทุกหัวใจ เมื่อใครไม่ต้องการให้ไฟเหล่านี้ลุกไหมก็คือว่าภาวนาสงบกายอยู่ในหลักของศสีลสงบวาจาอยู่ในหลักของศสีลสงบจิตสงบใจอยู่ในหลักสมาธิภาวนาเดีว่วอยู่ในตัวอยู่ในใจอยู่ด้วยการภาวนา ไม่ใช่อยู่เฉยๆไม่ใช่อยู่ภายนอกมันอยู่ภายในอยู่ภายในอยู่ในตัวอยู่ในกายอยู่ในหนังหุม้มดูก้อนทุกกองทุกของตนอยู่ทุกเวลาวันไหนเวลาใดมันจะเข้าถึงความแตกความทาลายเราไม่รู้เพื่อรู้แล้วมันเอาไม่ไหวล่ะสู้ไม่นะ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 เนันวันใดเวลาใดคืนไหนให้รีบเร่งไม่ต้องไปรอรอให้มันเจ็บเสียก่อนไม่ได้รอให้มันแก่เสียก่อนก็ไม่ได้รอให้มันใกล้จะตายก็ไม่ได้ไม่ต้องลังรอเพาวนาวเรื่อยไปละกิเลสความโกรธให้มันหมดเสียก่อน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 ดังแสดงนาก็สมควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาละชนิยะถาวาลิวาหาปูราปาริปูเรนติสากลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏติตังตุมหังกิปามเมวะสมิตสตุสัพเพปูเรนตุสังกตา ยันโทปันนัลโสยะธามนิโชติระโสยะตาสปิติโยวิวัจฉันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยจุกิธิคาอยู่โกภวะอภิวาธนาสีริสนิจยังวุธาปจายโนจตารธรรมวทันตี อายุวันโอสุ ข, ขังภาลัง